สสหายไปอำลาอาจารย์ข้อ62ครั้งนั้นโมคคลานาริพาชกได้กล่าวกับสารีบุตรปริพาชกว่าท่านเราไปสํานักพระผู้มีพระภาคกันเถิดเพราะพระองค์เป็นศาสดาของเราสารีบุตรปริพาชกกล่าวว่าท่านปริพาชก2องร้อคนเหล่านี้อาศัยเราเห็นแกนเราจึงอยู่ในสํานักนี้เราบอกลาปริพาชกเหล่านั้นก่อน